สังรมก็นนะ้องได้ยินได้ฟังเอาไวา้เลาตาไม่รูดก็มีครูอาจารย์บอกสอนอยู่ทุกวันเพื่อยอมเตือนลำลี่ลำไหลในการในงานที่เราทำอยู่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 เม่อาอยู่ที่การเวลาเกิดมานานหลายวันหลายปีอยู่ที่กรรมฐานกรรมฐานสร้างอินทรีย์ให้เจอกล่าอินทรีย์เจกล่าไม่ใช่อายุอยู่ที่กรรมฐานบพริจ้าก็สอนหน่ มีจิตไปในกายเป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผาสิเลดมีสัะชัญญะมีสติ <c oughs> ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเสือกได้ความพอใจและความไม่พอใจมันเป็นลดของโลกถอนออกมาคือมาลู่ฉึกตัวเป็นลสของธรรม ลักษณะนี้ <c oughs> จะทำให้อินสีแจก้าขึ้นมาหลวงปู่เทียนก็สอนว่าอย่าเข้าไปในความคิดควันคิดอะไรก็ไปในความคิดแต่วความคิดจะหอบหิ้วไปหน่อยให้มีสติรู้สึกตัว โดยกรรมฐานแบบสมชญะบัพพะค เ, เยียดเกื้อนไหลช่วยให้กลับมาลู่ึกตัวนี่ก็คือกรรมฐานเป็นสิ่งเวีนรอบทำให้สีแจกล้าขึ้นมาอย่าลืมซะอย่าให้ความคิดพาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ความคิด ความเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับคกายกับใจเกิดความพอใจไม่พอใจเกินความหลงเป็นความหลงความทุกข์เป็นความทุกข์รถของโลก <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้มีสติกลับมา ก็หลงเป็นหลงทุกข์ฝันทุกข์รู้ว่าอินทรีย์มันอ่อนเออไม่แจกล่ก็ให้รู้สึกตัวซะในความอ่อนเออสร้างมันเข้มแข็งขึ้นมาตรงไหนมันอ่อนให้มันเข้มแข็งเหมือนกับสร้างบ้านสร้างเดือในใจคานยหญ่ ใบฐานดีดีว่าจะเข้มแสงอันนี้เรา ว, ว่าได้ประโยชน์จากสิ่งที่มันอ่อนเดีดยและความเข้มแสงเรียนรู้เรื่องนี้ทําได้สำเร็จว่าความอ่อนเดียที่เกิดกับชีวิตเราก็รเรียนรู้เรื่องนี้ให้มันสำเร็จหลงที่ไดลู้ที่นั่น ทุกทีใดรู้ที่นั่นพอใจที่ไหนรู้ที่นั่นไม่พอใจตรงไหนรู้ตรงนั่นโดยกรรมฐ า, านลอดเข้าไปลอดเข้าไปสามารถทำอินทรีย์แจกกล้าเกิดเชื่ อ, เ, อ, อ, เ, อ, เ, อ, อเกิดความเชื่อทำอย่างนี้เป็ น, อ, อ, นอย่างนี้ันหลงที่ใดรู้ทุกทีเออบรรทมอย่างนี้ในอินทรีย์ตัวนี้จะแจกกล้าหรือว่าศรัทธาเชื่อ ความเชื่อเกิดขึ้นเพราะการกระทงบ่งบอกตอบได้ทุกคนทำได้ทุกชีวิตสิ่งที่ทำให้ใ n อ่อนแอไม่ใช่อะไรที่ไหนมันเกิดที่การสัมผัสจากการจากใจนี่เองไม่ใช่อยู่ที่อื่น ยังสามารถทำได้ปฏิบัติได้เวลามันหลงไม่หลงก็ได้เวลามันทุกไม่ทุกข์ก็ได้เวลามันพอใจไม่พอใจก็ได้เวลามันดีใจเสียใจถอนดอกมาให้รู้จักตัวทำได้ทุกคนหรือว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้นี่ถือว่ากรรมาฐาน งานสร้างมากสร้างผลคืองานอย่างนี้ดาวันจกกัลักษณะดยงนี้ตัเองซีแจกก็มีศรัทธาพละมีความเพียรเพื่อทําเรื่องนี้พละมีสติพละมีสมาธิพละมีปัญญาพละจะบอกพละห้ึ่งทํ่หมายความด้ยเจ้าตัดสัลูกก็เรื่องพละนี้พละห้านี้ พละอย่างนี้คือกำลังว่าใช่ความเชื่อยแขงของสังขารล่างกายอยู่ที่ศรัท ธ, ธาที่ความเพียรที่สติที่สมาธิที่ปัญญาอันนี้ไปเลือกวันนะอายุเพศวัยอยู่ที่กรรมกรรมฐานคือการประกอบขึ้นมาดัางนี้ ไม่เหมือนต้นไม้เจ้าก็สิงออกดอกออกลูกออกขนว่วงห้าปีหกปีเจ็ปีสึงออกลูกออกดอกออกลูกครมเวลากําหนดสิงเดร่อมกําหนดเหมือนกันดินดีน้ำดีปุ๋ยดีสึงจะทํำให ยอดอ่อ น, านสามารถออกลูกออกขนได้ยอดอ่อนไม่สามารถออกลูกได้ยอดมาว่วงถ้าเป็นยอดแฉะไม่ในยอดอ่อนจนออกลูกได้ถ้ายอดอ่อนออกไม่ได้ ชีวิตเราครัมันอวมันเกิดบังเกิดผลมาได้ถ้าหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์พอใจเป็นพอใจไม่พอใจเป็นไม่พอใจตัวยังซีอ่อนไม่สามารถเกิดบังเกิดผลได้ไม่ต้องตำหนิใครตามอย่างไงจึงจะได้ผลไหวๆอยู่ที่เดานี้เองเห็นตรงนี้มีศรัทธามีพละมีสติมีสมาธิมีปรรัญญา ประกอบขึ้นมาการศรัทธาการศรัทธาการความเพียรการมิสติไม่ใช่อยู่ในเกิดวัยอยู่ดีการกระทํานอนอยู่ก็ทําได้นั่งอยู่ก็ทําได้เดินอยู่ก็ทําได้อาอยุเท่าไรก็ทําได้แต่ว่าก ร, รมฐานนี่ที่ตั้งของการกระทํานี่ สรงเชื่อมแสงขึ้นมาโต ว, วันโตคืนขึ้นมาอย่าแบ่งปัดไปอย่างอื่นดูตัวเราให้มีสตินั่นแหละอาศัยกรรมฐานเป็นนิมิตก็เอาไว้กลับมารู้จักตัวกลับมารู้จักตัวกลับมารู้จักตัว อะไรเกิดขึ้นมากลับมาลู่จิกตัวกลับมาลู่จึกตัวเปลี่ยนได้เป็นดีการกลับมารู้จึกตัวนี่แล้วเปลี่ยนอย่างนี้ก็ใช้ไปจับด้วยมือจับด้วยพลังของร่างกายเสื่อมเสน่ออนแรงไม่ใช่การกลับมารููจิกตัวการกลับมารููจึกตัวร้อยข้างวันหงลู่ หลงหนึ่งข้างรู้หนึ่งข้างรูล้ลอยข้างรูล้ลอยหลงรอยข้างรูล้ลอยข้าง <c oughs> <c oughs> มันโูดเท่าโรดตอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ที่อายุอยู่ที่การกระทาแบบนี้จริงๆมันจเจะ ก, กล้าไม่นานถ้าเป็นทางยาวไกลก็ลัดสั้นถ้าเป็น ลับอย่างนี้หรือว่าพอละดีงัดบ้ามีผีเท่าดีย่อเดินทางได้ไว้กว่าม้าที่มีผีเท่าไปดีและหลงเป็นหลงหรือว่าม้ามีผีเท่าไปดีทางก็ยาวไป <c oughs> น่าหลงเป็นลู่หรือว่าผีเท่าดี มีผีเท่าอย่างนี้ก็คือศรัทธาพละสติปละความเพียรตนเองมีความเพียเรเท่านั้นเขจะลิดมีสัมมชฌามีสติถวนอน่อบาลู่จักตัวอันนี้เรียกว่าทั้งหมดนั้นหละคือพละอย่างกับบาู้จักตัวคือศรัทธาแล้วมอความเพียรแล้วคือสติแล้วคือสัต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 แก่อนนี่ทางทิศเหนือของศาลาหอใจเป็นป่าย้าคาป่าพงพอปูกต้นยางไว้ยางก็ <c oughs> แทนย้าคาป่าพงก็เกิดเหตดขึ้นมานี่ธรรมชาติกฎธรรมชาติเ้าที่ธรรมชาติฉันใดก็ดีถ้าเรามีจิติกับมากลับมา กลับมากหรเปลี่ยนแล้วเวียนจากเชยงเทพไม่ดีไม่มีประโยชน์เป็นประโยชน์ขึ้นมากลับมากลับมารู้จากตัวเป็นกฎเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเกิดสิ่งเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาเหมือนดินที่มีใบไม้ใบา ย, ยางหลนลงไปธรรมชาติมีต้นยาง ธรรมชาติก็มีใบายางธรรมชาติก็มีแผ่นดินเถนินยู่กับใบายางก็เป็นจุลินชรีย่อยเกิดเป็นเห็ดแล้วก็ได้กินประอาหารส <c oughs> ังกาย เ, เลือดตีเนื้อในกำลังหลังชอจินเห็ดกินข้าวแล้วก็เจ็บเจ็บตายเอา น, นีธรรมชาติที่อยู่ในการในใจนี้มันเป็นมาเหเป็นผล มืนไม่เกิดไม่เจ็ไม่เจ็บไม่ตายคือศรัทธาอันนี้ธรรมชาติอันนี้กรธรรมชาติอันนี้หน้าที่ธรรมชาติอันนี้อยู่ในรูปในนามนี้ถ้าไม่มีรูปไม่น้ําก็ไม่เกิดขึ้นได้เกิดก็เกิดอย่างอื่นรูปน้ํานี้เกิดเจริญตัณหาเกิดโกรธเกิดหลงเกิดสุกเกิดทุกข์มันไปทางโน้นเปล่อยให้มันไม่ ฝึกไม่หัดมันไม่เอาประโยชน์จากมันได้งานไม่ได้นี่แตแกเจ็บตายเกิด้นดับไปมีแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วแกเจ็บตายไปไม่ได้ประโยชน์เลยตฉพาะที่มันมีคุณค่าลูกนี้นามนี้มันมีสัญญาณมีจิตใจที่มาเอา เป็นเครื่องมือประกอบขึ้นมาเป็นวัตถุอุปรกรณ์คลิดขึ้นมาให้เป็นมากเป็นผอยนางนี้ก็ได้ยินได้ฟังอย่างนี้ที่แอย่างนี้ที่ว่าสอนทำบอกทำเพื่อเอาไปทำไม่ให้ไปจำเอาไว้ สิ่ที่ให้ทำมันเกิดขึ้นกับตัวท่านเองก็ทำเหมอนอย่างบอกพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ครูอาจารย์ก็สอนอย่างนี้สอนกันมามาปลากวันที่พระพุทธเจ้าวัดขึ้นในโลกก็ได้สอง0หยหนึ่งปีมาแล้ว แต่นะับมนโนภาพดูวันนี้เวลานี่หลังจัดจะลูเป็นเดือนหกถึงวันนี้ก็อาทิตย์ก็กวัวอาทิตย์นี้ก็พงก็กระทบอยู่ทางด้านทิศเหนือเฉียงตะวันออกจากสีมหาโพรออกจากเท่นมันลังไป ไปยืนทอดกเนตรถือมหาโพอย่างไม่กระพริบตาเรียกว่านิมิตถกีดีที่นั่นมีต้นโพธิต้นหนึ่งส่วนลูกนิมิตกางทิศเหนือสะวรรออกถือมหาโพเรียกว่านิมิตถกีดี วองทันทษดนนี้อยากไมก่กรพิบก็ก็ย่อมงานการตัายิ่งใหญ่สำเร็จลงแล้วก็รู้สึกว่าขนาดเปนผู้เจ้าบดขึ้นมาในโลกดี้มันก็ต้องเกิดอะไรขึ้นมาสมยนั้นถึงกับแผ่นดินไหว ผู้มีบุญผู้มีบารมีชีวิตสำเร็จลงเพราะการกระทํหนาแน่นมันก็ต้องต้องฝนฝีมือฝีมือเทียมหนาแน่นมันไม่ลืมเป็นเลนที่ต่อไ้ในชีวิตมีส่วนประกอบมีบันหลังสิงหัวโพมีสิ่งแวดล้อมท้งนั่นเกิดขึ้นมา จะลรกาศบว่าที่รก็ยังมีนิมิตในใจเราอยู่แลวกววาสอนก็อย่างนี้พระเจ้าก็สอนอย่างนี้ตจรนี้ไปหนึ่งเดือนแสดงธรรมก็สอนเรื่องนี้ที่ว่าปฐมเทศนาแล้วเขยาย่อความไป เพื่อให้ผู้ฟังซึ่งปัญจวัคคีก็พูดยังทรมาจากกัปะวัติะสูตรอยากว่าสอนเรื่องทางําเนินา่าคนกำลังเดินทางเัาจวัคคีกำลังเดินทางหาสิ่งหลุดพ้น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 ในความเป็นมาอย่างไรความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนอย่างไรตัดข้าไปย่าเข้าไปาเหมือนกับที่ข้าไปต เ, เอด้วยอริสัตถสี่ตัดเข้าไปล่างสมองปัจจุทีนหลุดล่วงบรรลุทาเป็นประหารได้โกนทัญญยา เขาคนทำงานก็ถอนอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ยังเป็นคำสอนดันแรกมันมีจิตวัดร่องต้องพูดอย่างนี้ต้องเทศนาอย่างนี้รูทั้งหกก็อยู่ใกล้ๆร้อยฌานเทรดกระดาบวัดอลาดบวดก็อยู่ใกล้มองเห็นผู้เขาริบหลี ที่อาจาย์นักสองอยู่วันทีก็เคยไปอยู่ด้วยกัน <c oughs> ลองไปตั้งแทิวเหนือก็เห็นอูเทืออเขาทอมดงขจิลิเหนือแม่น้มในรลนฉลาจะเห็นเขาลิบลี่ถ้านชีวิตลอมจะดีเดินมาทางนั้น ละมานอย่างไรเป็นมาอย่างไรต่างกับวันนี้อย่างไรยอ่อมสดโบดหรือว่าเรื่องกระโดดมันเกิดเกิดอะไรขึ้นแน่นอนในรักษาจากนั้นเยันตายมาโลดตายบางเหลือแต่หนังมุ่งกระโดดหกปีเต็มเต็มเมื่อเกิดอากาศจะดีขึ้นมาก็ยอ่อมเกิดอะไรต่างๆ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 ผมาจจะควบมหล่อมผมอาจจะควบอ้อมฉุดผมอาจจะควบอ้อมทุกข์ผมอาจจะอาการตึงตระเกิดกับอะไยอมรับทั้งหมดไปกับมันเลยเมื่อมีความฉุด ก, ก็ยีมหัวโลมม่มีความทุกข์ก็เบื่อเตือเครียดลองไห้ออไปแบบนั้นซะแต่ทั้งที่นาเกียดที่จุด้อมี l i m ั่หน่อยทาไม่ลง อาจจะหัวเราะความโกรธอาจจะหัวเล า, ค า, เาะวลาความทุกข์เยอะย่้ยได้ผลงานสนการตรงนี้หลงที่ใดรู้ที่นั่นนี่มันโดยปี น, นี้มันขยันตรงนี้ศรัทธาตรงนี้เอาประโยชน์จากมันตรงนี้ที่มันมีให้เห็นให้ศึกษาเหมนกัเราศึกษาวิชาชีพอะไรต่างๆ และประโยชน์จากสิ่งที่มันผิดจริงเป็นทุ่รู้ได้ขนาดเป็นผู้เจ้านี่ต้องกระโดดด้วยสุดยอดแล้วเนี้ตากสามวลชนเราควรจะนงมนำ ม, มากับชีวิตเรา <c oughs> เอาเื้อชาขึ้นมาเรื่องนี้ ก็ว่ก็เราก็ทำให้ไม่ยุ่งไม่ยากเรื่องนี้เพื่อนมิตรสิ่งแวดล้อบสถานที่ผู้คนเป็นโสชนวัตถุมีจริง โสชนะสิทธิก็มีจริงในใจกงโง่งงง่ายวอย้าสวดมนสชนะสิทธิโสชนะบุคคลก็มีเพื่อนมีมิตรมีบริษัทสทั่วโลกเรียกพุทธบริษัทประเทศไทยอยู่ เก้าสิบเก้าเปอร์นต์เขาพู่าเรียเพียงหนึ่งเปอน์อาจจะมากขึ้นก็ได้ตอนนี้นะคนไม่ศึกษาจับโน่นจับนี่หลายจิตหลายใจเชื่อนโน่นเชื่อนี่ไม่เชื่อการกระทำของตัวเอง ศาสนาธรรมเฮี่ยวกันลูกกำ น, น้ำนี่ไม่ไปที่ไหนแล้ววาศาสนาธรรมผมหลงมเป็นธรรมผมไม่หลงเป็นธรรมนี่คือศาสนาธรรมอาทิตย์ไม่ครบแคตรงนี้อันเดียวกันเท่านี้จะเป็นศาสนาพิธีศาสนาวัตถุศาสนบุคคลก็ต้องเพื่อศาสนาธรรมนี้นะศาสนาธรรม ก็วนไปสู่สารวัตถุสารพิธีสารบุคคลเหมือนข้าวเปลือกเราเก็บไว้ไม่ใช่ไปกินข้าวเปลือกกินข้าวสุกข้าวสารแต่ต้งเป็นต้องเก็บข้าวเปลือกไว้พิธีกรร ม, มพิธียกมือเคลื่อนไหวเป็นพิธีกรรมหลือกรรมบัฐานเพื่อเอาประโยชน์จากกรรมบานรนี้เป็นมรรคเป็นผล รอมเหนี่มันเกิดจะมีขึ้นมาจังทิ้งไปได้ต่สอนก็นก็สอนแบบสานทพธิธีมีสานสมบุกสวรสอนทุาาบุคคลมีเสียงคำพูดโดยภาษาแต่ละต้องถึงแต่ละประเทศม่เคยมาเรีเยนเราเราจะอ่านหนังสือ ของพาทาแห่งโลก <c oughs> วันนี้ประเทศบางคาเต้ถูกประเทศมิสลิมทาลายแหลกล้านไปหมดเลยชาวพุทธถอวาดปาลานข่าตายกันทลายพุทธลูกตายมัาเป็นลูกพอหักทุกไปพระสง็บ ป, ปวดล้มไหวใจไป จนออกหนังสือขอความช่วยเหลือทั่วโลกเจากพุทธโลกกับนานมุสลิมตรงข้าส่งของไปช่วยประเทศหลังขาเท่เคยไปเหมือนกันไปกับอาจารย์สราเฉินไปนสง แต่ว่านั่งขึ้นเปนต้หลงเมืองหลวงเขาเฉยๆไม่ได้ไม่ได้เหยียบพื้นดินเขาไม่ให้เหยียบแล้วก็เป็นมาลานแล้วสมัยเงาหาวิลายนารันธาตุพะท่ า, าตายโส ว, วัด หมาวิไลนารันธาวอดวายไปทำลายพระสงฆ์ไปดูทุกวันเห็นแต่ซากศพหมาวิไลนารันธาที่เป็นยิ่งใหญ่มุดเสด็จทำลายล้างโจรพระหอบตำลาหนีมาข้ามธารข้ามทะเลมาตายดาบได้ประเทศไทยก็หนีมาข้าทะเลมา หาทางเหลือว่างหาทางบกบ้างจนมาถึงเหมือนเธอาะอะไรจำไม่ได้สองรูปน้ำห ม, มาเผยแพ่ในประเทศไทยไปกินบ้าง เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็มีพระมหากษัตริย์ทุกองเป็นพุทธธรรมรกะน่าจะอุ่นใจในช่วงนี้ได้เอาประโยชน์ได้ทำซะพวกเรามาอยู่วัดวารามก็ะสะดวกเรื่องนี้เพื่อนมิตรก็ทำให้เราสะดวกเรื่องนี้น่าจะน่าจะเอาให้เต็มที่ ยิ่งเวลานี่กฐานใส่สิบวันเอจีแจก้าขนาดไหนก็อยู่ที่เราเนยรู้จักตัวเนี่ยเราเกิดขึ้นมารูปจักตัวนี่เด็กไปยันว่าที่นั่งก็ว่าอยากเข้ามาเนความคิดแต้รู้จักตัวอารมณก็รู้จักตัวความทุกก็รู้จักตัว พ่อก็บอกว่าเห็นมันอยากเข้าไปเป็นอนเดียวกันเห็นมันหลงอยากเป็นผู้หลงก็พ้อนจากหลงนม่ความมั่นใจผู้จังนี้ก็เดียวกันเรามาสุขเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขก็พ้อนจากความสุขแต่ทำไปในตัวแล้วบนะทพ้นในข่าวเดียวกันในข่าวเดียวกันวิดาทีเดียวกันไม่ปล่อยให้ ลอยด้วนอยู่ได้ถ้าทำอย่างนี้ด้ยวยเห็นนี่ไม่เป็นนี่เลยไม่เป็นอะไรกับ่อะไรเดี๋ยแต่ว่าอย่างไงก็ทำอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดจากการกระทำที่ตาอสีต่สาอไม่ต่อตล่าหลือยนอลก็เอาการกระทำแม่ว่ามันเป็นรูปตุ ก, กตาเราก็สร้างสรรค์ขึ้นมา อาการกระทำสร้างสรร์าการสร้างสารรค์อย่างนี้ไม่ใช่อยู่ที่เพศว้มันสมองอยู่ที่การกระทำต่างหากพอจะเรียนรู้มันสมองไอดีไอเช่ยอะไรต่างๆไม่ใช่เลยตาตาศีรษานี่แหละประกอบขึ้นมาอย่างนี้ เหนไม่เป็นเนี่ยแล้วก็ผ่านตรงนี้ทั้งหมดล่ะตั้งท่าดูลูกสกตัวแล้วแล้วก็องอามาใช่เพิ่มขึ้นไปอีกลูกเฉยๆมันซื้อบื้อก็ได้เห็นเหมันการเห็นมันเนี่ยอาจารไม่ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวก็ได้นอนอยู่ก็เห็นได้อะไรก็เห็นได้จำนนมากในการเห็นจำนนมากการไม่เป็นเห็นแม่เป็น เ อ, อ, เอา้าวว่ามันจะตายก็เห็นมันหนอยมันหายใจไม่ได้ก็เห็นมันไหน่อยพอได้ตายความตายไม่ได้เจ็บความเจ็บเห็นมันเห็นมันเจ็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บพ้นจากความเจ็บโยโย่เมันจะตายหายใจไม่ได้เอไเอาลมหายใจมาเป็นชีวิตชีวิตเราทำนานในการเห็นเนี่ย สาหร่ยหายของหาใจเหมือนเราไม่เกียวข้องกับมันก็ได้เราจุยเฉยก็ได้ไเพียงสกับมันช้ำนานแบบนี้เลยพูดอย่างนี้ไม่ใช่เกิดจากการจำจากใครมาตัวเองทำอย่างนี้สี 45, 46, 47, ่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดปมันจังเป็นมันดีมันช้ำนานแบบนี้มันลืมไม่ได้ าการการทำมันเป็นตาไว้ในชีวิตเราเนี่ยนั่งอยู่นี่ก็มีทั้งผ้าสงค์ทั้งบาสุกบาชิกาแต่จริงองรอย่าไปเชื่อโอกาสมาถึงที่เข า, า, า, าไปเชื่อพุทธเจ้ า, เาพูดอย่างนี้ให้สัทธาต่อพุทธเจ้ามันเช่อศรัทาต่อเรา สัตเราโดนพระเจ้ายกขึ้นสูงๆก็ให้เป็นหนักงินไม่ได้เลยพระเจ้าองค์เดียวท่านในโลกนี้สุดยอดแต่ทําแบบนี้เรียนคำสอนพระเจ้าทั้งหมดอันเดียวกันพระเจ้าก็ไปแบบนี้แล้วก็ไปแบบนี้สชั้นนี้เปิน ทางเดียวกันนี้ไปถึงที่เดียวกันนี่เหมือนกันหมดไปถึงที่เดียวกันหมดระเจ้าเปหวงเป็นสิทธิเป็นสิทธิของทุกชีวิตนี้ปฏิบัติได้ผลได้ไม่จำกัดการว่าอย่างนี้ ผู้ปฏิบัติล่องอยู่ด้่งเงื่จริงในธรรมที่คนรู้คนรเห็นตามทุกคนรแก่ผู้ปฏิบัติปัจจตังเมื่อรู้แล้วเออช ว, วนคนอื่นบ้างประกาศให้คนมาดูนี่จะเป็นอย่างนี้อะไรก็ตอนท่าจะไม่ค่อยได้ประโยชน์จากกรจางงาูจงำน้ำทะเลเสียงก็ไม่มีอัศะตัวจิวกำหมอ ก็ยังไม่ดีาลังงานยังไม่ดีทลังงานหมดเพิ <c oughs> ่งูสิบรอบแล้วเก้ารอบแล้วเรียกว่า1ิบรอบก็จะดีเตนี่เก้ารอบแล้วก็ยังไม่ค่อยจะดีอาจะรไปเรื่อยๆไปแต่จิตใจนี่ดีมากสูงลา วิธีรักษาแบบทางเลือกของแพทย์ตะวันออกปนปนกับแพทย์ตะวันตกที่ประเทศอะไรเรวคณประยุทธ์เรคนผมคณอาพรไปรักษาอยู่ทุกวันนี้ ่ดูดลก็คล้คลายๆกับที่เราไป ร, รักษาอยู่ดีปหาหมอที่ของเอกชนเขาสองแสนสิบรอบนึ่งสองแสนเพื่อนครูพลังงานปลาหมอสวัสนีที่เป็นพออบบวชที่ดีเขาให้รักษาให้ฟรี แล้วก็เห็นคนฆ่าที่นี่ก็ให้ว่าใจบำรุงรักษาฝ่างส่วนหนึ่งถ้าจะสร้างตึกคนชั้นลาแปดห้องก็ยัไม่ดีอาจจะไปเรื่อยๆหมอก็ห้ามไมา่ให้ํำนานห้ามมาให้พูดแต่วัน อ, นอดไม่ได้นะ้ะ <laughs> คิดถึงฝึกเลยต้องวูดต้องสอนต้องจนมจันจะหมดเสียงกันเลยแล้วก็หมดเสียงแล้วตอนนี้ก็ขอจบแค่นี้นกับพระพ้อคนนัน